พ่อค้าคนหนึ่งมีโอกาสได้มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้พบกับความสงบเป็นความสงบที่ไม่เคยพบมาก่อนเพราะว่าแต่ก่อนก็เอาแต่ทำมาหากิน เ, เมื่อปิดคอร์สกลับไปที่บ้านนะแกก็เกิดชันทะในการทำสมาธิ ทุกเย็นนะพอปิดร้านนะแกก็มานั่งสมาธิก็ทำอย่างนี้อยู่พักใหญ่วันหนึ่งก็ปรากฏว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งมาเล่นฟุตบอลนะอยู่บนถนนหน้าร้านหรือหน้าบ้านนะของแกเด็กกลุ่มนี้ก็มาเล่นเป็นประจำนะทุกวันหยุดนะ อาทิตย์ละครั้งแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะเพราะว่าแกก็ตกเย็นปิดร้านแกก็ทำงานแกไปแต่คราวนี้พอเปลี่ยนมาเป็นนั่งสมาธิช่วงเวลาเดียวกันกับที่เด็กนักเรียนมาเล่นฟุตบอลเสียงเอะนะเสียงโวยวายเสียงหัวเราะนะ สองเด็กเหล่านั้นมันก็ไปรบกวนการนั่งสมาธิของแกแกก็รู้สึกหงุดหงิดนะแล้วก็ไม่พอใจนะที่เด็กมาเล่นฟุตบอลอยู่ตรงนั้นที่แรกก็นึกจะไปนึกว่าจะออกไปต่อว่าเด็กพวกนี้ให้ไปเล่นที่อื่นไล่ให้ไปเล่นที่อื่น แต่แกก็ฉุกคิดได้ว่าคืนทำอย่างนั้นเนี่ยเด็กก็จะยิ่งไม่พอใจแล้วก็คงจะหาทางแก้งแกคือส่งเสียงตะเบงเสียงให้ดังขึ้นเป็นการตอบโต้นะแกก็เลยออกอูบายนะเดินไปหาเด็กกลุ่มนี้นะหลังจากที่เล่นฟุตบอลเสร็จเราก็บอกว่าเนี่ยพวกหนู มนเล่นฟุบอลตรงนี้นี่ลุงนี่มีความสุขมากเลยเพราะทำให้นึกถึงสมัยที่เป็นเด็กแล้วก็สุกสนานร่าเริงนะทำให้บรรยากาศที่นี่มันมีนะความคึกคักมากขึ้นนะ่ลุงอยาให้รางวัลนะหนูนะทั้งทั้งทีมเลยนะร้อยบาทนะเด็กก็ดีใจ อันที่ต่อมาขที่แกนั่งสมาธิกำลังจะสงบอยู่แล้วเด็กกลุ่มนี้ก็มาก็ส่งเสียงเอ้าๆๆอีกนะเด็กก็เล่นสนุกสนานเพลินไปตามภาษาเด็กแต่ว่าพ่อค้าคนนี้ก็นั่งสมาธิไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่แกคาดการไว้แล้วนะเพราะเด็กเนี่ยต้องมาเพราะเด็กนี่มาเป็นประจำ แกก็ไปหาเด็กกลุ่มนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยห น, นูลุงนี่จะจะให้รางวัลพวกเธอนะพวกหนูเนี่ยมันเล่นฟุตบอลแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยคนก็ไม่ค่อยมาเข้าร้านเท่าไหร่เอาไปห้าสิบาทก็แล้วกันนะอนะเด็กก็ก็รับด้วยความดีใจ แต่ก็อดนไม่ได้เอ้ยมันอาทิตย์ที่แล้วได้ร้อยหนวันนี้อาทิตย์วันนี้ได้ห้าสิบไม่เป็นไรนะอาทิตย์ต่อมาก็เหมือนเดิมนะกําลังนั่งสมาธิเนี่ยนะได้เกือบจะสงบแล้วเด็กก็มาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พอคาในแกก็รู้เตรียมตัวล่วงหน้าแล้วแกก็เดินไปหาเดี็กแล้วก็พูดมันเดิมน ะ, ะว่าหนูมาเล่นบอล น, นี่มันดีมากเลยนะออกกําลังกายสร้างบรรยากาศให้ มีสีสันอยากจะสนับสนุนพวกเธอนะอยากสนับสนุนพวกหนูเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ยงจริงขายไม่ค่อยได้เลยเอาไปสิบบาทก็แล้วกันนะเด็กไม่พอใจแล้วนะสองาทิตย์ที่แล้วได้ร้อยหนึ่งนะวันนี้ได้สิบเด็กไม่พอใจเลยเด็กก็เลยตกลงนัดกันไม่มาเล่นบอนลละ <c oughs> อาทิตย์ต่อมานะ บนันนก็เงียบนะเด็กไม่มาเล่นบอล น, นะแกก็เลยนั่งสมาธิได้อย่างมีความสุขและสงบนะเรื่องก็จบท่านี้นะเรื่องนี้มันมีประเด็นให้คิดนะหลายอย่างนะคือการที่พ่อค้าเนี่ยไป พูดหลอกเด็กเนี่ยคงไม่ถูกกันนะไปโกหกเด็กว่าเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยเข้าร้านนะอันนี้ก็คงไม่ถูกต้อง น, นะมันก็เป็นมุสาวาทและการที่แกนั่งสมาธิไม่ได้พอรู้สึกว่าเสียงเด็กมารบกวน อันนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าคนที่ทำสมาธิภาวนาเป็นเนี่ยไอเสียงแค่นี้เนี่ยก็ไม่ทำให้จิตใจกระเพื่อมนะหรือว่าวาบุญกุ้มใจหรืองดหิดได้ถ้าคนที่เขานั่งสมาธิเป็นนี่เขาก็ไม่เอาใจไปจดจ่อที่เสียงนะแต่ว่าตัดประเด็นของ พ่อค้าไปก่อนอเรามาพิจารณาตรงอันเด็กกลุ่มเนี้ยทําไมเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาเลิกเล่นบอล น, นะเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้เงินน้อยไปก่อนหน้านี้เขาได้ร้อยหนึ่งแล้วก็ห้าสิบเขารู้สึกว่า มันไม่คุ้มค่าที่จะเล่นแล้วแต่ก่อนเล่นได้ร้อยคราวนี้เล่นได้สิ บ, บาทแค่นั้นล่ะก็เลยไม่พอใจนะเลิกเล่นเป็นการตอบโต้นะแต่ถ้าพิจารณาดูณก่อนหน้านั้นเนะี่ยเด็กก็ไม่มีใครให้เงินนะเด็กก็มาเล่นทุกวัอาทิตย์เพราะอะไรเพราะเด็กเล่นเพื่อความสนุกเนะี่ยสนุกเนะี่ย ก็ก็เลยมาเล่นทุกอาทิตย์นะแต่พอได้เงินนะก็เริ่มติดใจก็กลายเป็นว่าเล่นเพื่องเงินนะแล้วพอคิดว่าเล่นเพื่องเงินนะก็จะรู้สึกว่าได้สิบบาทเนี่ยมันไม่คุ้มเขารู้สึกว่าเขาเสียไปเสียไปเกนะ้าสิบขาดทุนไปเก้าสิบ หรือวาขาดทุนไปสี่สิบเมื่อเด็กรู้คิดว่าตัวเองเสียนะหรือได้น้อยเนี่ยเด็กก็เลยไม่พอใจก็ไม่รู้จะเล่นไปทำไมที่จริงเด็กไม่ได้เสียนะเด็กได้นะไอสิบบาทเนี่ยพระตก่อนเนี่ยไม่ได้สักบาทเลยแทนที่เด็กแทนที่เด็กจะมองเออสนุกด้วยแล้วก็ได้สิบบาทนะเด็กกลับคิดว่าเนี่ย ฉันเสียเก้าสิบนะฉันเสียสี่สิบฉันน่าจะได้ร้อยฉันน่าจะได้ห้าสิบอย่างน้อยๆพอเด็กคิดแบบนี้เด็กก็ไม่มีความสุขกับการเล่นละก็เลยเลิกเล่นไปเลยก็เรียกว่าเข้าล็อกเข้าแผนของพ่อค้าคนนี้ซึ่งรู้จักนิสัยของคนทีจริงไม่ใช่เพราะเด็กนะคนส่วนใหญ่หรือแม้แต่พวกเราเองก็ อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยได้อะไรมาเรากลับคิดว่าเสียเด็กที่ถ้ามองว่าฉันได้สิบาทนะเด็กก็จะเล่นอย่างมีความสุขนะเพราะว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้เงินด้วยแต่เด็กมองไม่เป็นเด็กมองว่าฉันเสียนะก็แต่ก่อนนี่ได้รนะ้อยหรือแม้แต่ที่เท่าไห่ยังได้ห้าสิบตนนี้ได้สิบพอคิดว่าเสียนี่นะมันก็เลยไม่มีความสุขไม่พอใจ อันนี้เรามองไม่เป็นนะแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้กันเยอะนะได้เนี่ยคือเสียมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเล่นหุ้นแต่ก่อน ก, ก็ไปตลาดหุ้นนะทุกวันเลยอันนี้ประมาณสักสิบยี่สิบปีมาแล้วก็ไปรู้จักกับคุณป้าคนหนึ่งเธอก็เป็นนักเล่นหุ้นเหมือนกันไปตลาดหุ้นนะทุกวัน ซื้อถูกขายแพงคุยสนทนากับคุณป้าแกก็เล่าว่าเมื่อสามวันก่อนแกขายหุ้นไปล็อตใหญ่ได้กำไรสิบล้านบาทเพื่อนตำรวก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าก็พูดขึ้นมาว่ายินดีอะไรกันหลานนะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรแล้วยี่สิบล้าน น้ำเสียงและสีหน้าคุณป้าเนี่ยแสดงว่าไม่มีความสุขไม่พอใจวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดพูดเหมือนเคยเพื่อนตอมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งนะซึ่งเป็นลูกค้าขอ ง, งคุณป้าเป็นลูกค้าเนี่ยก็ได้คาตอบคุณป้าเข้าโรงพรยาบาลแล้วเข้าโร ง, งพรยาบาลพ่ อ, อไหลนะเพราะเครียดนะที่ได้แค่สิบล้าน คุณป้าแกเครียดแกทุกนะเพราะแกมองว่าแกเสียสิบล้านแกไม่ได้มองแกได้สิบล้านแกมองว่าแกเสียสิบล้านพอคิดว่าตัวเองเสียสิบล้านนี่เลยเป็นไงเสียใจเครียดตำหนิตัวเองว่ากูไม่น่าเลยน่าจะขายหุ้นวันนี้นะอันนี้ก็ไม่ต่างจากเด็กนะกลุ่มที่ว่านะได้ ก็ได้เยอะด้วย10บล้านนะไม่แค่10บาท น, นะได้สิบล้านแต่พอมองไม่เป็นก็คิดว่าตัวเองเสียสิบล้านคนเราเนี่ยแม้ว่าจะได้โชคได้ลาบนะแต่ถ้ามองไม่เป็นนะมันก็ทุกข์นะความสุขหรือความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้อะไรหรือไม่อะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรามอง หรือรู้สึกอย่างไรนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์พุทธทาสท่านสรุปนะประเภทเรียกว่ารวบจอดนะกี่กับเรื่องความสุขและความทุกข์ท่านบอกว่าความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราทำถูกหรือทำผิด กับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะสิ่งที่เราผัสสะก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรวมทั้งความคิดที่มันเกิดขึ้นนะผัสสะนี่เรียกอีกอย่างก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรารู้สิ่งที่เรารับรู้ไม่ใช่เฉพาะรูปรสกลิ่นเสียงนะแต่รวมถึงเหตุการณ์นะสิ่งต่างๆอันนี้เป็น เป็นการสรุปรวบยอดที่นะมีความสำคัญมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยคนเราก็ทุกข์เพราะเมื่อมีรูปกระทบตานะเสียงกระทบหูหรือว่านะรถเนี่กระทบกับลิ้นในยามที่หลับเนี่ยนะเราจะไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์เลย พอไม่มีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้กายเว้นแต่ว่าใจเนี่ยเกิดคิดโนนคิดนี้เช่นถ้าฝันร้ายฝันร้ายแล้วก็เตลิดไปกับฝันร้ายนี่ก็ก็เป็นทุกข์เนี่เรารับรู้อะไรก็ตามเนี่ยแม้สิ่งที่รับรู้เนี่ยมันจะหมายถึงการได้นะเช่นได้10 บ, บาทได้10ล้านนะแต่ถ้ามองลบนะ มันก็กลายว่าเป็นเสียพอาะรู้สึกว่าเสียเนี่ยนะมันก็เกิดความเสียใจเกิดความไม่พอใจมารวมถึงว่าเราเห็นอะไรเรารับรู่อะไรแล้ว เ, เราปรุงแต่งเราให้ค่ามันแค่ไหนด้วยถ้าเราตีค่าในทางลบเราก็ทุกข์ถ้าเราตีค่าในทางบวกนะมันก็สุขได้นะเช่นเวลาเราเห็น ทองนะกับเห็นขี้เนี่ยนะเราเห็นทองแล้วเราก็เกิดความยินดีเพราะเราให้ค่าในทางบวกกับมันแต่ถ้าเราเห็นกองขี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกนะไม่สบายใจเป็นทุกข์เพราะว่าเราให้ค่ามันในทางลบว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นปฏิกูลยามันขยะจะก็ไม่แน่นะ บางคนเนี่ยหรือบางครั้ง เ, เห็นขี้แล้วเนี่ยกลับมีความสุขอาตมารู้จักคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งซึ่งเพิ่งสึกไปตอนที่เป็นคารวาสเนี่ยภรรยานี่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งระยะท้ายก็มีความทุกข์มากนะแต่ก็ในสึกก็ทำใจได้แล้วก็ไม่ใช่ทำใจเป็นปกตินะ ก็มีความสุขด้วยมีความสุขที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักนะเข้าเข้าใจกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นความทุกข์บางทีมันก็ทำให้คนเรามาใกล้ชิดกันเ อ, อื้อเฟื้อเกื้อ ก, กูลกันถึงกับพูดขึ้นมาว่าถ้าเราไม่เจอมะเร็งไม่เจอทุกข์เราจะมีสุขแบบนี้ไหมจเจอมะเร็งนะแต่ว่ามองมันให้เป็น หรือใช้มันให้ถูกมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้รักกันมากขึ้นเขาเล่าว่าเนี่ยตอนที่ภรรยารักษาตัวด้วยการใช้แสงฉีคิมโม่เนี่ยธอท้องผูกอย่างแรงเพราะนั้นจะต้องทําให้เนี่ยระบายถ่ายท้องให้ได้แล้วก็มันก็ยากมากทํำยังไงทํางไงก็ไม่ยอมระบายไม่ยอมถ่ายแต่ถ้าวันไหนนี่นะ ภรรยานะถ่ายนะเขาเห็นขี้ของภรรยาในโถส้วมนี่ก็มีความสุขมากเลยนะอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่านะเขามองขี้เนี่ยนะไม่เหมือนเดิมคนเรานะเห็นขี้แล้วทุกเนี่ยเพราะเรารู้สึกรบกับมันแต่ถ้าเราคาดหวังนะ อยากเห็นขี้ออกมาเพราะว่ามันแปลว่านะร่างกายเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นอย่างน้อยเนี่ยถ้าขี้ออกมาก็ทำให้มันไม่ทุกข์ทรมานพอเห็นขี้เนี่ยไม่จะเป็นขี้ของภรรยานะั้นก็มีความสุขมีความยินดีดีใจแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยคนเรานี่ถ้าเห็นขี้ของเมียแล้วมีความสุขนี่ อะไรแล้วก็มีความสุขได้ง่ายนะอันนี้ก็เรียกว่ากระทำถูกต่อผัสสะนะก็คือว่ า, ามองบวกนะหรือรู้จักนะมองมาในแง่บวกคนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเรากระทำผิดนะต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเช่นพอมีเสียงดังกระทบหูแทนที่จะแค่รับรู้เฉย ศักแต่ว่าได้ยินนะก็เกิดความรู้สึกไม่ชอบเกิดความรู้สึกชิงชังเกิดความเกิดอาการผลักใส ย, ยิ่งผลักใสเสียงนั้นใจก็ยิ่งทุกข์และแปลกนะยิ่งผลักใสก็ยิ่งยึดติดนะยิ่งไม่ชอบเสียงนั้นจิตมันก็ยิ่งพุ่งแล้วก็ไปจดจ่อที่เสียงนั้นและเพราะความไม่ชอบเสียงนั้ น, นก็เลยยิ่งทุกข์มากขึ้น ยิ่งผลักใสก็ยิ่งยึดติดบางคนเราทุกเพราไปยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่าผักใส่ไม่ว่ายึดติดในทางบวกเช่นเพลิดเพลินยินดีหรือว่ายึดติดในทางลบก็คืออยากจะผลักใสแต่มันไม่ยอมไปก็เลยต้องสู้รบตบมือกันตรงนั้นแหละแต่ถ้าเรารู้จักเ อ, อวางใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นเสียงมันดังเราก็ ทำใจเป็นกลางหรือว่ามองมันในทางบวกซะว่าเออมันเป็นเสียงดนตรีนะลองคิดว่ามันเป็นเสียงดนตรีหรือเป็นเสียงสวดมนต์ใจก็เป็นปกติหรือมีความสุขก็มีบางคนทําอย่างนั้นได้นะเสียงกลนนะ่ะเสียงกลนของเพื่อนที่นอนอยู่ใกล้ๆกันในที่แรกก็หงุดหงิดลาคานอนไม่หลับแต่ลอง แต่พอจินตนาการมันเป็นเสียงเสียงเพลงนะใจมันก็เริ่มตเริ่มเลิกต่อต้านเลิกต่อต้านแล้วก็เริ่มยอมรับแล้วก็เลยนอนหลับได้นะก็มีความสุขการนอนในการยอมรับหรือการผักใสปฏิเสธเนี่ยนะมันก็เป็นตัวชี้ขาดนะว่าเราจะสุขหรือทุกข์หรือว่าเราจะปกติหรือไม่ปกติ ถ้าเรายอมรับเสียงที่มันเกิดขึ้นเออว่ามันเป็นธรรมดาใจก็สงบอย่างถ้าหากว่าพ่อค้าคนนั้นเนี่ยแกลองนึกว่าเออไอเสียงที่เด็กเล่นกันนี่มันธรรมดาของเด็กแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นมาทุกทิตแกก็ไม่เคยเดือดร้อนอะไรพอมานั่งสมาธิเริ่มเดือดร้อนขึ้นมาแล้วกับเสียงนั้นก็ลองมองวตัตถก่อนแล้วก็อยู่กับเสียงนั้นได้มาตั้งนาน มันก็เด็กว่าไม่ใช่ไม่ใช่มาพิ่งเล่นนะเด็กก็มาเล่นมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วเราก็ไม่ได้รับรู้อะไรนะไม่ได้สนใจอะไรเพราะทำงานนะถ้าคิดแบบนี้เข้านะใจมันก็ยอมรับได้กับเสียงเด็กจิตก็สงบอย่าว่าแต่เสียงเลยนะแม้กระทั่งโรคมะเร็งเนี่ยนะพอยอมรับได้นี่ใจก็สงบนะไอ้ตอนที่ยอมรับไม่ได้นี่โอ้ มันวอยวายมันตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นกลดาชตากรรมโทษหมอโทษคนนู้นคนนี้ว่าพาฉันไปโรงพยาบาลช้าไปบางทีก็โทษตัวเองแต่พอยอมรับได้นะเว่ามันเกิดขึ้นแล้วบ่นไปทำไมใจมันก็สงบบางคนเป็นมะเร็งแต่ใจสงบยิ่งกว่าวัยรุ่นบางคนนะ ที่ร้อนรุ่มกลุ่มใจเพียงเพราะว่ามีสิวไม่กี่ไม่บนใบหน้าสิวกับมะเร็งนี่มันต่างกันเยอะนะแต่ทำไมบางคนเป็นมะเร็งเขาสงบแต่ถ้าบางคนแค่เป็นสิวนะกินถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับกลุ่มับกลุ่มใจมันเชื่อเล่นะว่าความสุขหรือความทุกขงคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา จะมีที่ว่าเรารู้สึกหรือเราทําใจอย่างไรหรือวางใจอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งท่านอาจารพุทธะท่านใช้คําว่าทําถูกหรือทําผิดกับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะสิวไม่กินไม่บนใบหน้าไม่ได้ทําให้เกิดความทุกขเวทนาทางกายไ ม, ม่เกิดความเจ็บปวดแต่พอยอมรับไม่ได้พยายามผลักไสมัน ก็เลยทุกเลยนอกจากการนะมองบวกนะหรือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับผัสษะนะที่มากระทบกับตัวเราแล้วเนี่ยบางทีก็รมถึงการรู้จักปล่อยรู้จักวางนะหรือการมองว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดามีผัาสะในทางลบเกิดขึ้นเช่น แดดร้อนนะฝนตกถ้าเราวางใจไม่เป็นก็จะกลุ้มอกกุ้มใจไม่พอใจเพราะว่าคิดปรุงแต่งไปแล้วแต่ถ้าฝนตกแบบนี้นีนะ่เดี๋ยวน้ําท่วมบังล่ะเดี๋ยวตากผ้าไม่แห้งบังล่ะหรือว่ากลับบ้านไม่ได้เพราะทางมันเละเทนะพอคิดไปงี่นะอันนี้เรียกว่าปรุงแต่งแล้ว คนเราไม่ได้สักแต่ว่ารับรู้ผัสสะเฉยๆแต่ามักจะปรุงแต่งไปด้วยแล้วถ้าหาปรุงแต่งในทางลบมันก็ยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่กายไม่ทุกข์หรอกแต่ใจทุกข์แต่ถ้าเราเออรู้ทันนะไอความคิดปรุงแต่งนั้นรู้แล้วก็วางใจก็เป็นปกติอันนี้ก็เช่นเดียวกับที่พูดเมื่อวานในความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ย อันนี้ก็เป็นภาษาชนิดหนึ่งนะคือพอเราไปรับรู้นะว่าใจมันคิดโน่นคิดนี่ถ้ารู้แล้วสักแต่ว่าเห็นนะมันก็จะวางได้คิดไปก็ช่างมันนะแต่ใจไม่ได้ไปหลงกระโจนไปตามความคิดนั้นนะความคิดมันก็ดับไปเองมันก็ฟุ้งอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็ดับไป เพราะเราเห็นมันเพราะเรารู้ทันมันแล้วเมื่อรู้ทันแล้วมันก็วางได้นะไม่หลงเข้าไปในความคิดนั้นนะอันนี้เรียกว่าทำถูกกันนะทาถูกต่อผัสสะนะผัสสะในที่นี้มันเป็นผัสสะที่เกิดขึ้นในใจแล้วเกิดทำมาหลงขึ้นมาความคิดความรู้สึกพวกนี้แม้จะเป็นความโกรธแต่ถ้าเราทำถูกนะ ต่อความโกรธนะมันก็มันก็สุขได้นะหรือไม่ทุกข์เช่นแค่เห็นมันเฉยเฉยไม่ขอไปผักสายมันแล้วก็ไม่ได้ทําตามมันไม่ปล่อยให้มันมาครอบงําจิตใจถ้าปล่อยมันครอบงำจิตใจอันนี้เราทาผิดหรือถ้าผักสายมันอันนี้ก็ทําผิดเหมือนกันนะแต่ถ้าเราดูมันเฉยเฉยเห็นมันเฉยเเนี่ยอันนี้เราทําถูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสงบไม่ว่า มันจะเป็นความโกรธความหงุดหงิดนะพอเรารู้ทันมันปุ๊บนี่มันทำอะไรใจเราไม่ได้แล้วแล้วมันก็จะสงบไปหรือดีกว่านั้นกนะ็คือพิจารณาซะเลยนะไม่ใช่แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่พิจารณามันใช้มันไอความฟุ้งซ่านนะความโกรธนะหรือเรียกลมๆว่านิวรณ น, นะซึ่งเกิดเกิดจากผัสสะ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันสอนทําให้กับเราได้ถ้ามันเกิดขึ้นนอกจากเราจะรู้ทันมันแต่เรายังฉลาดในการพิจารณามันด้วยมันก็จะสอนนะสอนให้เราเห็นไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกครั้งอนัตตามันเกิดแล้วก็ดับมันมีแล้วก็เสื่อมไป แล้วก็มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะบังคับนะหรือว่าควบคุมอะไรได้แล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยทันทีที่เราเห็นความโกรธความโกรธนะั่นก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราละถ้าเรารู้จักนะมองอย่างนี้รู้จักพิจารณาเนี่ยไอ้นิวรเนี่ยจะเป็นความฟุ้งซ่านนะความหงุดหงิดความโกรธ มือแม้แต่ความอยากมันก็สอนทําให้กับเรานะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนะขณะที่ปวดขณะที่เมื่อยนะถ้าเราทําถูกนะนอกจากเราจะไม่ทุกข์ไม่ไปยึดความปวดของการเป็นความปวดของกูแล้วเนี่ยเรายังได้ปัญญาด้วยนะคือนอกจากไม่ทุกข์แล้วยังได้ปัญญานะถ้าเราทําถูกนะคือไม่ยึด รู้จักปล่อยรู้จักวางหรือว่ารู้จักมองมันเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันต่อไปเราก็จะเห็นธรรมะนะที่มันแสดงหลวงพว่ออมเขียนเนี่ยตอนที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งครั้งแรกเนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปี 4.9 กาท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬามีความเจ็บปวดมีทุกขเวทนามากนะแต่ท่านพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า สนุบ ป, ป่วยนะท่านบอกว่าป่วยนั่ก็ดีหลายอย่างนะไม่ต้องทำอะไรเลยและที่จริงก็ไม่ควรทำอะไรด้วยนะท่านบอกท่านสอนเสือเนี่ยเจ็บปวดเนี่ยนะหรือว่าป่วยเข้าลงทยาบายไม่ต้องทำอะไรหรอกใช่เห็นไตลักอย่างเดียก็พอแล้วเห็นไตลักอย่างเดียก็พอแล้วมันโชว์ให้เองเห็นจากอะไรนะก็เห็นจากความปวดนี่แหละทุกโเวทนา พอจิตมาไปรับรู้ความปวดเนี่ยเรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นแล้วนะทุกขเวทนาความปวดก็เป็นผัสสะที่มากระทบกายเมื่อจิตเห็นหรือรับรู้ความปวดนี่เรียกว่าผัสสะนะมันเกิดแล้วแต่แทนที่จะเข้าไปยึดนะความปวดนั้นอันนี้เราผิดนะแทนที่จะผักสายมันอันนี้ก็ผิดเราแค่เห็นมันหรือว่าแค่นอกจากเห็นแล้วนะ แล้วก็มาเรียนธรรมะจากมันคือเห็นไตรลักษณ์ที่มันแสดงออกมาอย่างนี้ว่าทําถูกแล้วเมื่อทําถูกแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตระหนักนะว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยนะอันนี้หมายถึงทุกข์ใจนะหรือสุขใจเนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มีที่ว่าเราทําถูกหรือทําผิดนะต่อสิ่งที่เกิดขึ้น นะถ้าเราไปยึดไปผักใสนะ่ไปมองลบอันนี้เรียกว่าทําผิดนะแต่ถ้าถ้าเราอรู้จักมองบวกหรือว่าปล่อยวางหรือว่าเพียงแค่เห็นมันหรือพิจารณาทําจากมันเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าทําถูกแท น, นที่จะไปโวยวายสิ่งแวดล้อมโวยวายดินฟ้าอากาศโวยวายผู้คนที่เขาพูดไม่ดีกับเรา บวยวายรถมอเตอร์ไซค์ที่ส่งเสียงดังอา้ากลับมาดูใจกลับมากลับมาทําถูกนะกลับมาเตรียมตัวเตรียมใจหรือกลับมาปรับใจให้ทําถูกต่อสิ่งที่รับรู้นะ เ, เราจะได้ความสุขอย่างน้อยก็ปกติสุขไม่ทุกข์หรือได้ปัญญาด้วยอา่าชาติที่อุเท่านี้นะกลับฮะ